ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังท่ายหแต่รมวงปโพติยานกำลังนำเสนอเรื่องปฏิจจส ม, มุปบาทสือต่อกันมาโดยดำดับก็มาถึงช่วงที่มองปฏิจจส ม, มุปบาทในแง่ของภาวะจักหรือบางทีก็เรียกว่าวัตจักบางทีก็เรียกว่าสังสารวัร โดยองค์ประกอบหลักก็คืออวิชชาตันหาอุปาทานแล ะ, ระ ก, กรรมเรียกยีกันหนึ่งว่ากิเลสกรรมริบกักคำว่าภาวะ จ, จักจึงแปลว่ากงล้อแห่งชีวิตราว่าชีวิตเนี่ยมีความหมุนเวียนเป็นกงลอ้อแม้อาจากำหนดเงื่อนต้นเงื่อนปลายได้ใกล้ๆกับว่า เราคีดเป็นวงกลมเนี่ยเราก็กําหนดไม่ได้ว่าตรงไหนตรงกลางตรงไหนตรงปลายเพราะมันก็กลมเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนตอนปลายมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเรากําหนดไม่ได้แม้จะนึกสาวไปยังไงก็ตามนะมันถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นอภิชาเพราะฉันเมื่อเป็นอภิชามันก็ตัดจะตรงไหนก็ได้มันก็เป็นอภิชาดังนั้นในความเป็นสังสารวัช หรือพ่อพ่อประจักษเนี่ยบางคราวก็เรียกว่าสังสารวัตรหรือสังสารจักรท่านแสดงว่าล้อแห่งชีวิตนั้นมีอวิชากับตันหาเป็นดุงเป็นดุมก็คือที่ใส่อะไรใส่เพลาอะไรนี่นะแล้วก็ถือว่าเป็นมูลแกนสําคัญหรือพูดง่ายกว่ากิเลสอ่ะเป็นมูลแกนสําคัญ เราอาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นคือปาในที่บางแห่งก็อาจจะไปเจอชื่ออย่างอื่นจะราอาจจะได้ยินคำว่าอุปธิอุปธิก็หมายถึงกิเลสก็มีหมายถึงกรรมก็มีหมายถึงขันธ์ก็มีแต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องถึงกันหมายความว่าเรื่องกิเลสกับกรรมเนี่ยเขาแยกกันไม่ออกใกล้ๆกับกิเลสกับทุกข์นี่มันแยกกันไม่ออก เพราะว่ากรรมมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถึงสืบเนื่องต้กรรมที่สืบเนื่องมาจากกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ว่าการแสดงก็แสดงด้วยบุหารที่ยิงย้อนแตกต่างกันออกไปแล้วก็มีอภิกษุสงขารคือบุญบาปอนเนจชาเนี่ยอนเนญชาก็คืออรูปฌานปิญญาณเป็นต้นเนี่ยเป็นซี่ของกรรม แล้วก็มีเจร น, า, า, า, นาเรามนาก็เป็นกงคือด้านรอบนอกนะฮะอิลักษณะหมุนเกิดนําหมุนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเนะฮะก็มุนกันเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดมาเท่าไหร่ก็เหมือนกันนะะเกิดแก่เจ็บตายแต่จริงเจ็บเนี่ยเขาไม่ค่อยใสหรอกเพราะว่าเจ็บมันเป็นทุกจร เกิดแก่ตายนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับาปดทิฏฐิปาาังคะนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายก็หมุนกันอยู่อย่างเงี้ยประกอบไว้สัตว์ไว้ในไตรภพคือกามาพบรูปภพรูปภ พ, ปพตามสมควรแก่กรรมซึ่งอย่ากลางประนีแตกต่างกันบางทีก็เรียกว่าไตรวัตไตรวัตไตรวัตไตรจักนี่เรียกว่ากิเลสกรรมวิบากยันใน ปฏิจจสูงบาทที่เรากล่าวกันมาโดยลำดับนั้นเป็นงสังเกตว่าอาวิชชาปัญหาอุปาทานก็เป็นกิเลสแล้วก็สังขารกับสังขารภพนี่เป็นกรรมเออน้องนั้นก็เป็นวิบากปิญญานามรูปอรยตาภัสสะเวทนานะฮะเป็นวิบาก ค, คือเป็นผลเออส่งช่วงช่วงปลายก็เรียกว่าพพชาติ เจรามอหนโสกกาเปเทวทุกโธมนาตุปายาเนี่ยก็นับไปถ็จมันก็เป็นวิบากเป็นผลหมายความมาถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีกรรมไม่มีกรรมมันก็ไม่มีผลของกรรมแล้วตอนนั้นมันก็ต่อเนื่องกันไปนะฮะใกล้ๆกับการปลูกพืชคือยกตัวอย่างมาบ่อยๆว่าเอทั้งหมดคนต้นพืชเนี่ยมันเป็นวิบากมันเป็นผลมาจากสิ่งที่เราเริ่มปลูกครั้งแรกอาจจะเนื้อเยื่ออาจจะหนออาจจะกิง่ง อาจจะเป็นมาเล็ดหรืออาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชก็ตจําแต่ตัวกรรมน่ะคือเจตนาพืชน่ะเจตนาที่จะปลูกแล้วก็สิ่งที่เราปลูกเนี่ยที่จริงมันมันเป็นเป็นวิบากคือผลจากการกระทําเลยบาร์ตันี้มันก็แตกเป็นบิบารกไปเรื่อยๆมันก็เป็นเหตุก็เกิดผลเหตุเป็นผลเหตุเป็นผลเหตุผลก็ทยอยกันแตกระบวนการของเหตุผลสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดก็ลองดู นั่งดูต้นไม้ก็ได้นะฮะเห็นว่ามันจะเป็นกระบวนการอย่างนั้นจะเมื่อสองเคราะห์ปฏิจจสมบาทแบบเต็มรูปนะฮะเรามองแบบของภวจจะเป็นรูปงลงลองค์ๆล้อเป็นแบ่งออกเป็นเป็นสี่กลุ่มเนะี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ต่อกันไปเป็นกลุ่มๆคือว่าก็ เ, าเรียกว่าอดีตเหตุคือเหตุนในชาติก่อนพูดง่ายไปเหตุนในชาติก่อนชาติก่อนหรือชาติก่อนๆ ก, ก, ก็ตามนะ ก็ได้แก่อวิชาสังขารตนาอุปาทานพบกรรมภพตรงนี้ก็เป็นกลุ่มกิเลสวัสดและกรรมวัดก็มีอวิชาเป็นบูนรงึงจะเห็นด้ว่าพอแบ่งแล้วมันก็คือกิเลส ก, กับกรรมนั่นแหละแต่ว่าเ น, น้นที่ตัวกรรมภพนะเน้นที่ตัวกรรมภพคือกรรมซึ่งเป็นเหตุที้เกิดในภพ แต่ว่าไปลาเกิดแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกันอยู่นะฮะเพราะว่าอับไปที่เรามีกรรมเราก็ข้องอยู่ในพบการที่มีพบก็แสดงว่าเรายังมีกรรมอยู่มันก็ทําให้เห็นอีกภาพหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าก็ไม่มีกรรมไม่มีกรรมก็ไม่มีพบไม่มีพบก็ไม่มีชาติไม่มีชาติก็มีชรามนตโสกกาไปเทวาอะไรต่างๆเป็นไว้แต่วิบากขันสุดท้ายที่ทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ วนหลังจากสเสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อตอนประชนพรรษาแปดสิบแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่มีภพไม่มีชาติเพราะว่ากิเลสเป็นเนเธอเกิดภพชาติมันไม่มีในกระบวนการตรงนี้เพิ่งสังเกตว่าตัวเป็นตัวเหตุหลักแล้วอวิชชานั้นเป็นโคตรมันเลยคือเป็นรากงามใหญ่บันึ้คืออย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่า คือมองไปมองมามันดูแล้วมันเป็นสองสายใหญ่ๆคือสายของวิชากับสายของวิชาหมายความว่าวิชาก็เป็นรากใหญ่อีกสายหนึ่งสายกิเลสกับสายทุกข์วิชาก็เป็นรากใหญ่อีกสายหนึ่งคือสายมรรคกับสายความสุขโลกมันก็กลายเป็นทวิภพวะคือความจริงสองด้านอย่างหนึ่งปรากฏอย่างหนึ่งก็ถูกทำลายไปอย่างหนึ่งก็ไม่ปรากฏ ปัจจุบันผลก็คืออะไรคือผลที่ปรากฏในชาติปัจจุบันเนเช่นสมมติว่าตอนเราเกิดมาเนี่ยนะครับเรามาด้วยอวิชชาสังขารอาวิชชากับสังขารเนี่ยเป็นอดีตเด็ของเราแต่ในตรงนั้นหละจริงๆมันก็มีตัณหามีประฐานมีภพมีกรรมอาภพอยู่ด้วยนะก็สร้างขึ้นมาเป็นวิญญาณตอนเราวิญญาณนะรูปอายตนะผัสสะเวทนาเนี่ย แล้วก็อุปาติภพคือภพที่เราอุบัตินะคือสถานที่ที่เกิดเช่นโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าปัจจุบันผลแล้วตัวของเขาเองเนี่ยเป็นวิบาก ค, คือเป็นผลคําว่าวิบากเนี่ยเป็นผลเป็นผลตรงนี้ที่จริงเราลองสังเกตว่าเขาเป็นกลางๆนะฮะบิญญาณนามรูปายตนาภาษาเวทนาเนี่ยอุปติภพยังเป็นกลางๆไม่บุญไม่บาปอะไรอะ่ะไม่ดีไม่ช่วอะไร เป็นการต่อกัน ร, ระหว่างอดีตถึงกับปัจจุบันผลท่านเรียกในแนวของการสนทิคือการต่อกันว่าเหตุผลสนทิคือเหตุกับผลมาต่อกันอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างยากนิดหน่อยนะเหตุกับผลมาต่อกอันยังไงฮะหมายความนักเก็ตว่าพ่อไปกับลูกเนี่ยพ่อเป็นเหตุลูกก็เป็นผลก็ถือว่าตัวนี้เหตุกับผลมาต่อกันหรือว่าปู่กับพ่ออย่างเนี้ยปู่ก็เป็นเหตุพ่อก็เป็นผล ไปไนกับพ่อก็ชื่อว่าต่อกันทีนี้ต่อไปเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเรามีเวทนาเรา่าลืมอารมณ์มีเวทนาเวทนาเนี่ยเพราะอายตนาเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสัมผัสอารมณ์กันเนาะมันก็เกิดยินดี ย, นยินได้เกิดยินดียินได้บางก็เกิดปัญหาเกิดกิเลสนะพวกง่ายเกิดกิเลสเกิดกิเลสแล้วมันก็เกิดเป็นทุกข์เปสุขเกิดพอใจไม่พอใจถ้าพอใจก็เป็นสุขไม่พอใจก็เป็นทุกข์ก็เป็นเวทนา เวราะเวลาใจไม่อยากได้อะพออยากอยากแล้วก็ยึดก็กลายเป็นสร้างเหตุขึ้นมาในปัจจุบันได้ยลืออารามณ์เชื่อในอดีตอยู่น ะ, อ, ะอย่างที่เคยกตัวอย่างว่าไอ้เชื่อเนี่ยมันสาคัญที่สุดถ้าไม่มีเชื่อแม่เราจะสัมผัสอารมณ์มันก็ไม่มีปัญหาไรก็ตำแน่ํานองมแมลงวันยอดไข่ก็ยกตัวอย่างง่ายนะมแมลงวันยอดไข่ หยอดในกระจกหยอดในไม้หยอดในหินหยอดในอะไรแต่อะไรเนี่ยไข่มันก็ตายไปแต่วันใดที่เธอหยอดลงไปในปลาในเนื้อในสิ่งที่มีเชื้อเน่าเนี่ยมันก็กลายเป็นไข่ข็นกลายเป็นนอนจิตใจของชาวโลกก็เหมือนกันถ้าเราแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วเนี่ยจะชัดเจนเนะคือกลุ่มปุถุชนกับกลุ่มของพระเจ้า อยู่ต่างในการสัมผัสโลกของบุคคลสองกลุ่มเนี่ยมันต่างที่จิตทนะันนะไม่ได้ต่างที่ที่อารมณ์ตัวการสัมผัสเราอารมณ์ที่การสัมผัสมันก็คือกันนะแม้แต่ในกลุ่มของสามัญชนเองโดยพื้นฐานจิตที่มันยิ่งย่อนแตกต่างกันโดยประสบการณ์ที่แตกต่างกันเนะี่ยถ้าทีในการกำหนดอารมณ์เวลาเราสัมผัสมันก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวีิเราแ่งไว้เป็นคากรนเขาว่าแปลมาจากฝรั่งนะแต่ว่าไม่ทราบมาอย่างไง ว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเิ็นครูนตมุมคนหนึ่งตาแหลมคุมมองเห็นดาวอย่พรเปาเปลเรื่องเดียวกันแต่พื้นฐานจิตเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดอารมณ์เพราะงั้นจิตของพระรยาเจ้าเนี่ยท่านเป็นจิตที่พโพร่งด้วยปัญญาคือรุ่งเรืองด้วยปัญญาแต่เราก็รุ่งเรืองด้วยอภิชามากบ้างบ้างนะฮะมือขมุก ข, ขมือ่อมือตึ๊ดตือมืดพอเ ท, ท่าๆบ้างก็แล้วแต่ ยกตัวอย่างเช่นว่าราบยศสรรเสริญเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนกันน่ะตัวราบยศสรรเสริญมันเหมือนกันแต่ว่าท่าทีของบุคคลต่อราบยศสรรเสริญจะไม่เหมือนกันสามัญชนเวลาเกิดจะชื่นชมยิ่งดีการเฉลิมฉลองสนุกสนานกันบางทีฉลองกันจนตัวตายก็เพีแต่พอเกิดแก่พระยาบุคคลท่านเฉยรู้สึกไม่ยินดียินร้ายอะไร่ เกิดมก็เกิ ด, กกดตั้งอยู่มัก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปท่านไม่เอาใจไปเกี่ยวเกาะว่าเป็นของเราว่าเราเป็นหรือเป็นตัวตนของเรามัน ม, มีกิเลสไปเหตุไปเกาะอย่างนั้นมันก็เหมือนกัะ น, น้ําที่หยดลงบนใบบัวเนี่ยมันไม่มีอะไรให้สืบมันก็กลิ้งกลับถ้าจะบริโภคแค่ซอยก็ได้บริโภคแค่ซอยมันก็สักแต่ว่าบริโภคแค่ซอยมันไม่รู้สึกอร่อยหรือไม่อร่อยอะไร คือยังชีวิตอัตภาพไปเป็นไปแต่นั้นเองดูแล้วถ้าคิดแบสามัญชนเลก็เส็งเสง็งอะนะคือไม่ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอะไรที่จริงมันรุ่งเรืองด้วยปัญญามีความบริสุทธิ์แล้วมีความแช่มชื่อเบิกบานตลอดลก็แนวเนี้ยแนวรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยเพราพอพวกนี้เกิดขึ้นมาอีกเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันในเหตุมันก็กลายเป็นกระบวนการเดิมนะ กระบวนการเดิมนั่นแหละแต่ว่าท่านนับที่ตัณหาอุปาทานอาวิชชาแล้วก็กรรมภพ น, น, นะฮะกรรมภพแล้วกิเลสเป็นกิเลสสวัสด์คือและกรรมวัดนะเป็นกิเลสสวัสด์และกรรมวัดจะว่ามีตัณหาเป็นมูลในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีตหาเป็นมูลวัลตถนาเกิดขึ้นในขณะขณะแต่อย่าลืมว่าสาวลึกลงไปก็เจอวิชาอีกนั่นแหละ เป็นการเชื่อมต่อระหว่างข้อสองกับข้อสามเรียกว่าเหตุผลสนธิแรือว่าผลผลเหตุสนธิคือผลมาต่อกระเหตุนะก็ใกล้ๆกับอย่างที่ว่าเนี่ยลูกเดินนําหน้าพ่อนะไอประเด็นแรกเนี่ยพ่อเดินนําหน้าลูกก็ เ, เรียกว่าผลเหตุสนธิไม่ใช่เหตุผลสนธิผมวาลูกเดินนําหน้าพ่อก็เรียกว่าผลเหตุสนธิสนธินี่แปลว่าต่อกันก็ใกล้ๆกันอเลยล่ะสนธิในภาษาไทยนะฮะ เออกิเลสยังไม่ดัอบอภิชายังอยู่ตัณหายังอยู่อุปาทานเนี่ยอยู่กรรมก็ยังอยู่ประกรรมยังอยู่เนี่ยพวกนี้กิเลสกับกรรมมันก็นําไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณนีกละนําไปเกิดใหม่อีกละพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอในอนาคตแต่ว่าตอนเจอคราวนี้ท่านไม่เรียกว่านามารุท่านเรียกว่าชาติถาไมไอนชาติกับนามารูเปอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกัน โดยนั่นเดียวกันลองว่ามันก็เชื่อมโยงกันระหว่างอาวิชากับสังขารนั้นเป็นสิ่งที่ติดมาโดยอดีตชาติแล้วก็มันก็เป็นกระบวนการเลื่อนไหลามาก็สร้างเป็นปฏิชนที่วิญญาณขึ้นมาเพราะฉะนั้นคําว่านามารูปเนี่ยที่จริงก็คือชาตินั่นเองิชาติคือความเกิดนั่นเองแต่ตรงนั้นท่านเรียกว่านามารูปแล้วก็ต่อกันมาจนมาถึง ถึงพบเนี่ยพบโดยใจว่าพบตรงนี้มันก็เป็นสังขารเราเองแล้วก็มาเกิดในขณะเดียวกันก็เป็นอุปติภพด้วยนะฮะเป็นที่เกิดด้วยก็กลายเป็นชาติเป็นชราเป็นมรณนะก็ก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆก็กลายเป็นเป็นเนี่ยบินยาน า, นารูปอยิยตนาภาษาเวทนา น, นั่นแหละแต่ว่าสรุปรวมมาเรียกว่าชาติ ชาติมันก็ต้องมีชารามอนาโศกเปเทวตุกตรมนะพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นวิปากวัฏเป็นอุปาติภพด้วยนะฮะแล้วก็เป็นวิปากวัฏด้วยหมายความว่าเป็นผลซึ่งเหมือนกับชาติปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าไปปรากฏในชาติต่อไปเพียงแต่ว่าภบชาติมันก็แตกต่างกันตามคำนะฮะก็ทําให้เราเห็นว่าชีวิตเราในแต่ละชาติเนี่ยมันเชื่อมโยองอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยสามอย่าง คือปัใจจัยในอดีปัใจจัยในปัจจุบันแล้วก็ปัใจจัยในอนาคตหรือถ้าจะตัดตัดมันก็ตัดไม่มีในอนาคตโดยต้องไม่มีในปัจจุบันนะจะไม่มีในอนาคตแต่ถ้ายังมีอยู่ในปัจจุบันในอนาคตมันจะมีแต่นั้นบางทีเนี่ยสมมุติว่าพระอาหารหันต์องค์หนึ่งเนี่ยท้ามางเป็นเพียนมาพระธรรมดาเนี่ยบางเป็นเพียนมาก่อนจะดับจิตเนี่ยท่านรลุมากพุ่งเป็นพระอาหารหันต เป็นชีวิตะสมสาสีคือดับกิเลสดับชีวิตพร้อมกันท่านก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีปฏิสนที่ปัญญาณเห็นนหมไม่มีนามรูปไม่มียาตนะไม่มีปัสสัไม่มีเวทนาก็จริงๆก็ไม่มีปฏิชนที่ปัญญาก็จบแล้ว่ะนะท่านจริงไม่มีชาตินั่นก็ประยุติโ ด, ดยหลักโดยหลักที่พระพุทธเจา้าทรงแสดงสถานะของพระองค์เนี่ยว่าการหลุดพ้นนี้ไม่กําเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปแต่ว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสกรบมวิบากนะคือถ้าถ้าเราสรุปเจพาพะองค์ธรรมเจพาพะองค์ธรรมคือไม่สรุปจุดละห้าอย่างนี้นะเราเห็นว่าวิชาตนาอุปาทานเนี่ยเป็นกรรมาวัตไม่ได้เป็นกิเลสวัดแล้วก็สังขารกับกรรมมาพบนะฮะก็เป็นกรรมอวัตร ชาติชรามรณะวิญญาณนามรูปอายตนะปัสสเวทนานะที่เรียกชื่อเตาเนี้ยเป็นวิปากกวัฏแต่เราเห็นว่าเมื่อชาติเกิดได้ชรามรณะโศกอภิเตวัตุกตมันนัดไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่ต้องไปนับหรอกมันเหมือนกับหัวรถจักรมันขยื่อนแล้วเนี่โบกี้กี่โบกี้มันก็เคยื่อนไปเป็นกระบวนการที่มีความตอ่อเนื่องเพราะโดยโดยมีมูลสองคืออวิชากตัญหา อวิชชานั้นเป็นมูดในอดีตตัณหาเป็นมูลในปัจจุบันแต่อย่าลืมว่าพวกนี้ที่จริงก็ถึงกันเนี่ยนะฮะถึงกันการพูดนี้เป็นการพูดโดยขณะคือธรรมะในรายละเอียดเนี่ยท่านสาวชนลองสังเกตว่ามันเป็นขณะมันเป็นขณะถ้าหากว่าเราวินิจฉัยอารมณ์เป็นขณะเนี่ยเช่นสมมุติวันนายกเนี่ยเราเคยโกรธแต่ที่จริงโกรธมันเป็นอดีตแล้วมันเกิดแล้วในอดีตมันดับไปแล้วในอดีต พรอเราเห็นเขาทําดีในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยาเอาอารมณ์อดีตมาเกี่ยวข้องดี๋กเอาความรู้สึกส่วนตัวพวกนี่ย้ความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเราก็ยกย่องในก็ได้แต่ว่าคนเอาอดีตปะปนมั่วไปหมดเลยคือแทนที่จะพูดถึงกรรมเน่ยมันพูดถึงคนพอพูดถึงคนเน่ยมันพูดยากมันจะมีความรู้สึกรักชังอยู่ชอบไม่ชอบอยู่แต่ถ้าเราใช้ขณะในเลดลักขณะเนี่ย อย่างพระพุทธเจ้าทรงใช้คําตรงนี like ai ic ic ้ที่จึงเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์หลักมากนะใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงในรอบคอบแล้วตําหนิคนที่ควรตําหนิเมื่อเขามีการกระทํำส่ควรตําหนิใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงในรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทํำสิควรยกย่องให้ความเคารพนับถือใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงในรอบคอบแล้ว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 ลัาากษณะฆ่าเผสิญบาทจองเวรจองกรรมอะไรต่ออะไรกันเนี่ยมันก็ไม่ต้องเอามาใช้เพราะการเอามาใช้เนี่ยมันเป็นการทำลายตัวเองทำลายคุณภาพด้านจิตวิญญาณของตัวเองแต่ก็พูดยากนะมนุษย์เนี่ยมันสะสมออดกบาปไปเยอะคือยังนึกว่าความเป็นคนไทยเนี่ย แม้เราจะร้องเพลงซาติระไรดูดํารงคงไว้ได้ตำมวนในไทยลวดหมายรักสามาื่อคีอะไรก็ว่าไปแต่บางความรู้สึกเป็นเราเป็นเขานี่มากไปหน่อยมากจนบางครัง้งบางคราวเราหน้าหวงบางก่อนไปที่วัดราชประดิษฐ์เราทําบุญนาดีจ่าวจำปกติมาไม่ค่ยได้ไปอ่ะคือว่าพวกเขานิมนต์มาก็ไม่ค่อยได้ไป แต่ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าระรบับอดีตหลวงพ่อกระแก่แล้วก็น่าจะไปกราบท่านด้วยนะฮะนี่รับไว้เนี่ยอยา่าปฏิทานมรณภาพจะก่อนก็เลยกลับไปวันนั้นก็มีพระทั้งทำยุทมานิกาชจะส่วนใกล้เขียงกันนะนะแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวให้ความเคารพนับถือคุยปรึกษากันมาเราสบายใจดูแลสบายใจมาแต่เรามองในองร์รวม มันมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาภาคเราภากเขาวัดเราวัดเขามันอู้มันยุ่งจังเลยกลายเป็นเรื่องที่คนดีไม่ได้คนได้ไม่ดีดูในภาพใหญ่ๆของบ้านเมืองเองก็เถอะลองสังเกตว่าใครดีเด่นดังขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มันถูกทาลายหมดอ่ะนั่นคืออะไรก็คือเรื่องของใช้ ปัจจุบันขณะที่สัมผัสอารมณ์นีโดยเอาอดีตรกรบวอนาคตมาบวกหมายความไม่ชอบใจเขาในอนดีตแล้วกลัวเขาใจเริญก้าวหน้าในอนาคตก็เลยฆ่าเลยในปัจจุบันเป็นการผูมบาสแกนตัวเองและทั้งลายผลประโยชน์ที่ชาติบ้านเมืองก็จะได้จากคนคนนี้คือมนุษย์เราถ้าหยุดคิดสักหน่อยหยุดคิดสักหน่อยแล้วเนี่ยจะใช้เวลาซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไร เราก็ตายแล้วแล้วใช้มันเกิดประโยชน์ก็จะได้ประโยชน์ไปแต่ว่าเรามักสูญเสียเวลาไปเพราะว่าไปรับใช้อวิชาตะนาวปาทานจะเยอะอนะลองสังเกตว่าวั้การยึดติดเหนี่ยวนึกถึงเรื่องอดีตเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันบางทีมันก็เป็นพานแบบหมาป่ากับ ล, ลูกแกะแล้วนอกเรื่องอ่ะแต่ว่า ไอหมาป่ามันคิดได้แต่คน ม, มันไม่าวรจะคิดอย่างนั้นเพราะคนมันแสดงถึงพัฒนาการทางจิตปัญญาที่สูงขึ้นแล้วนะฮะไม่ใช่สูงส่งแล้วก็สูงขึ้นมาเยอะแยรายเป็นมนุษย์ที่แปลว่าสัตว์มีสัตว์โลกที่มีจิตใจสูงมันก็น่าที่จะใช้แต่ละขนายก็ดับตัหนหาในอารมณ์ทั้งหลาย เพะะเวลาพระเจ้าส่งแสดงนิโรธนิโรธตวาวรนะฮะตานามันจะเกิดก็เกิดตัวเนี้ยเกิดอารมณ์ที่เราสัมผัสแล้วถ้าดับก็ดับตัวตรงนี้แล้วจะใช้ปัญญาที่ผ่องใสในวินิจฉัยเขาเขาดีก็คือดีเขาอาจจะเป็นศัตรูกับเราแต่เขาดีก็คือดีอ่ะเขาอาจจะเกลียดเราแต่เราไปเกลียดต่อเขาทําไมล่ะ เ็าเกลียดเร า, เา ก, ก็กรรมของเขาถ้าเราเกลียดเขาก็กรรมของเราแต่เมื่อเรารักษาธรรมะไว้ภายในใจเราก็อยู่อย่างมีความสบายใจแล้วไม่ต้องพบบาปพบอกุศลเดินทางไปสู่สังสารวัฏที่มันอีกยาวนานกเอต้องฟังกันไหนใต้ร่บพระโพธยญานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูยทั่วกันสวัสดี